12พูดเห็นจริงในกรรมเป็นอำนาจของตนอัตตาซึ่งในศาสนาพุทธนั้นใครจะมอบตัวเป็นทาสของพระเจ้าหรือจะมอบตัวเป็นทาสของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของตนเป็นเรื่องของอัตตาก็คือตนนั่นเองสมัครใจ ตัวใครก็มีอิสระเต็มที่ของตนของตนจะถึงขั้นมอบอย่างสิรราบหรือจะไม่ขนาดนั้นจะแค่ไหนก็เป็นเรื่องของตนทั้งสิ้นเป็นอิสระของแต่ละอัตตาอัตมันเท่ากับตนจะพึงธ ร, รมของตนไม่มีใครเป็นเจ้าอัตรา ไม่มีใครเป็นเจ้าอัตตาใครนอกจากใครจะยอมมอบอิสระเสรีภาพของตนให้แก่ใครนั่นเป็นเรื่องของตนเองโดยตรงการยอมมอบอิสระภาพของตนให้แก่สิ่งใดให้แก่ใครก็เป็นการกระทาหรือกรรมของตนเองโดยแท้ ไม่มีใครอยู่เหนือตนนอกจากตนไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอัตตาตนเองเพียงพอเพราะกรรมเป็นของตนเองใครกระทํากรรมนั้นก็เป็นของของตนกรรมมักะของผู้กระทํานั้นเองแบ่งใครไม่ได้ อิสระจึงเป็นของตนหรือเป็นของอัตตาแท้จริงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยริบอิสระภาพของใครพระศาสดาของพุทธตรัส ช, ชัดเจนยิ่งว่าไม่ให้ปากใจเชื่อแม้แต่ผู้เป็นครูของเราหรือผู้สอนเราผู้ให้ความจริงแก่เรา ดังที่มีปรากฏในกาลามสูตรให้เรานำมาอ้างอิงยืนยันได้เพราะฉะนั้นความจริงใดๆโดยเฉพาะความเป็นพระเจ้าผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จก็จงพิสูจน์ด้วยตนเองให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าพระเจ้าคืออะไรอยู่ที่ไหน มีอำนาจเหนือตัวเราได้อย่างไร